ทำมีหลายวิธีมีหลากหลายการปฏิบัติแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์ประการเดียวนะก็คือเพื่อละกิเลสเพราะกิเลสมันเป็นตัวการทำให้เกิดทุกข์จะพ้นทุกข์จะไ ก, กลทุกข์ได้ก็ต้องละกิเลสกิเลสนี่ก็มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งนะเรียกวอาสวะอาสวะนี่หมายถึงกิเลส ที่ย้อมใจเวลารับรู้อารมณ์อารมณ์ที่ว่านี้ก็หมายถึงรู้ว่ากลิ่นเสียงสัมผัสนะรวมทั้งความคิดนึกด้วยที่เรียกว่าธรรมารมถ้าเป็นกิเลสที่ย้อมใจขณะที่รับรู้อารมณ์นี่เราก็เรียกวอาอาสาวะแต่บางทีเราก็เรียกว่ากิเลสนะเพราะมันง่ายดีคุ้นหูดี ในเรื่องการละอาสวะนี่พระพุทธเจ้าก็ให้แนวทางไว้หลายประการนะซึ่งหลายข้อเนี่ยชาวพุทธอาจจะไม่เคยได้ยินหรือไม่คิดว่าโอ้นี่ก็เป็นการละอาสวะหรือละกิเลสได้หรือว่านี่ก็เป็นการปฏิบัติทำอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเช่นพระองตัสว่าเนี่ยการละอาสวะเนี่ยประการ น, นี้คือ ละด้วยการใช้สอยใช้สอยใช้สอยปัจจัยสี่โดยเพราะการกินอาหารการกินอาหารนี่มันก็เป็นการละอาสวะเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าหากคนเราเกิดหิวขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดโทสะเกิดความหงุดหงิดเกิดความโกรธ อันนี้ก็เป็นช่องนะความหิวก็เป็นช่องให้อสาาวะหรือกิเลสนี่มันเข้ม า, ขมามาครอบงำใจได้ที่เรียกว่าพอหิวแล้วก็นามึดนะพอหน้ามืดเลยมันก็ทำช่วยได้ง่ายนะบางทีก็ไปลักขโมยบางทีก็ไปทำร้ายคนนะเพื่อที่ได้อาหารนะมาประทังความหิว นอกจากอาหารแล้วเนะี่ยปัจจัยอีก3ามประการเนี่ยนะก็มันก็ช่วยละอสวะได้นะเพราะว่ามันช่วยบรรเทาทุกข์นะความทุกข์บางอย่างเนี่ยพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็ทําให้เกิดกิเลสตามมาขณะที่กิเลส ท, ทาให้เกิดทุกขนะ์ทุกข์ก็ทําให้เกิดกิเลสเพราะฉะนั้นเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยท่านก็แนะให้ละกิเลสละทุกข์ก็โดยการใช้สอย การกินนี่ก็เป็นการปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะอย่างที่ได้พูดไปแล้วเมื่อวานว่าเนี้ยทำมากคือหน้าที่และหน้าที่อย่างหนึ่งนะก็คือหน้าที่ต่อร่างกายหน้าที่ต่อรูปขันต้องเลี้ยงดูเขาต้องดูแลเขาซึ่งกหมายถึงการให้อาหารนะที่ไม่มากไม่น้อยนะพอดีพอดี นั้นการกินการเสพการใช้สอยปัจจัยสีนี่ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งเพราะมันช่วยละอาสวะได้อาสวะบางอย่างนะแล้วการต่อมาคือละอาสวะด้วยการละเว้นเริ่มตั้งแต่สถานที่ที่มันอันตรายนยก็ควรละเว้นไม่คงเกี่ยวแต่นอกจากสถานที่ที่อันตรายทางต่อร่างกายแล้วเนี่ยไอ้สีที่เป็นภัยต่อจิตใจเนี่ย ก็คนเล่เว้นเหมือนกันอยู่ห่างไม่เข้าใกล้เช่นที่เขาเรียกว่าอโคจรสถานเนี่ยแหล่งบันเทิงโรงอบายมุกอันนี้ก็หรือคนไม่ดีคนพาลก็เล่าเว้นนะไม่ข้องเกี่ยวที่ท่านว่าเนี่ยอเสวนาจัพาลานังเนีการไม่คบคนพาลเนี่ยนี่คือการเล่าเว้นพอเล่าเว้นแล้วเนี่ยมันก็ทําให้ไม่เปิดช่องให้อสวรกิเลส เกิดขึ้นได้แล้วก็ไม่ทำให้เกิดทุกตามมา น, นี่ก็เป็นการปฏิบัติทมอย่างหนึ่งนะแล้วถ้าอย่างนะโด้วยนะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะก็ต้องละอาสวะหรือละความทุกข์ด้วยการอดกลั้นกลั้นต่อความร้อนความหนาวอันนี้เรียกว่าความอดทนนะเพราะถ้าไม่อดกลั้นไม่อดทนเนี่ยมันก็ เกิดอาสวะได้ง่ายนะเกิดความหงุดหงิดเกิดโทสะแต่ถ้ารู้จักอดกลัน้นอดทนนะมันก็ทําให้อาสวะเกิดขึ้นได้น้อยลงอันนี้รวมถึงอดทนอดกลั้นต่อคําพูดนะคำต่อว่าด่าท อ, อคําดินทาว่าร้ายต้องอดกลัน้นเพราะถ้ า, าไม่อดกลัน้นเนี่ก็เกิดความโกรธเกิดโทสะหรือบางทีก็มันะไม่ใช่แต่คํายุยยุ่นนะบางที ควา่วยวนนี่ก็ต้องมีความอดทนนะเดี๋ยวนี้ก็มีสิ่งยั่วยวนเยอะนะยั่วยวนให้เกิดความโลภยัวยนให้เกิดราค ะ, ะโฆษณาก็ดีรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินโดยเพราะมีโทรศัพท์เป็นสื่อเนี่ยมันก็ทําให้เกิดกิเลสที่เป็นโลภาราคะเหมือนกันนะถ้าไม่อดทนอดกลั้น มันก็ทำให้เผลอทำชั่วได้ด้วยความโลภ ก, ก็มีด้วยความโกรธก็มีนอกนั้นยังมีการาละอาสวะด้วยการบันเทานะบันเทาเช่นมีความโกรธมีความขุ่นมัวมีความพยาบาทาต้องรู้จักบันเทาบันเทายัางไงให้อภัยหรือว่ารู้สึกวิจักแผ่เมตตา การให้อภัยกับแผ่เมตตาก็เป็นการบรรเทาเป็นเทาบรร เ, เทาความโกรธความพยาบาทได้มันก็ทําให้ละอสวะได้อย่างหนึ่งเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรารู้กันดีนะว่ามันก็เป็นการปฏิบัติทำอย่างหนึ่งแล mm hmm. ้วน่าจะถ้ายังบอกนะละอสวะด้วยทัศนะทัศนานี่เขาหมายความว่าโยนวิโสมรัสิการเป็นต้นนะโยนวิโสมรัสิการคือการรู้จักคิดเช่นที่ พระปุณณะเนี่ยนะเวลาพระพุทธเจ้าถามว่าถ้ามีคนด่าว่าท่านหากไปเมืองสุนันปันตะท่านจะว่าอย่างไรพระปุญนะบอกก็บอกว่าเขาว่านะก็ยังดีที่เขาไม่ทําร้ายไม่ทุบตีถ้าเขาทุบตีท่านท่านจะว่าอย่างไรนะเขาทุบตีก็ดีกว่าเขาเอาไม้มาฟาดนะแล้วเขาทุบตีท่านจะว่าอย่างไรนะขเข า, เาไม้มาฟา ด, าาาดท่านจะว่าอย่างไรไม้มาฟาดก็ดีกว่าเขาเอาก้อนหินมาคว้าง คือท่านมองว่าเนี่ยอะไรที่เกิด ข, ขึ้นกับท่านเนี่ยก็ดีทั้งนั้นดีที่มันไม่แย่ไปกว่า น, นี้อันนี้ก็เป็นโยนที่สมนักสิการแบบหนึ่งเหมือนกันนะหรือว่าคนที่เจอของหายศูนย์เสียทรัพย์เนี่ยศูญเสียทรัพย์เนี่ยเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วอาสวะก็ตามมาแต่ถ้าหมอเออก็ามาสอนให้เรานะรู้จักปล่อยรู้จักวางหรือว่าให้รู้ว่ามันไม่มีอะไรจะเป็นของเราเลย อันนี้ก็ดือวยเป็นการละอาสวะแบบหนึ่งเหมือนกันนะหรือ ว, ว, วลาป่วยเวลาไข้เนี่ยแทนที่จะโกรธแทนที่จะขับแค้นใจแทนที่จะกลัดกลุ้มใจเปิดช่องให้อาสวะเข้ามาครอบงำนะก็หมอว่าเออเข้ามาเตือนให้เห็นถึงความไม่เที่ยงของสังขารเข้ามาเตือนเราว่าเนี่ยจะต้องเจอ ความเสื่อมจะต้องเจอความเจ็บป่วยที่หนักกว่านี้เจอแค่นี้นี่ยังถือว่าโชคดีนะเพราะนะั้นให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทซะอันนี้ก็เป็นการละอาสวะแบบหนึ่งนะและที่เราคุ้กันดีคือการละอาสวะด้วยด้วยธรรมะด้วยกุศลธรรมที่ท่านใช้คาว่าโพชงนะหรือสัมโพชงเนี่ยนะก็คือวิริยะสมาธิ ปิติปัสสติหรือว่าธรรมวิจยะอุเบกขาธรรมวิจยะคือการไข้ขวนทำก็คือปัญญาเนั่ยเองรวมทั้งสติด้วยผู้นัคือราสวะด้วยสมาธิและปัญญาหรือละด้วยการภาวนาบำเพ็ญเพียรทางจิตบำเพ็ญเพียรทางปัญญาอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่เราเนี่ยอพอจะได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยๆ นี่การละอสะวะนี่มันก็มีหลายวิธีนะบางอย่างก็ไม่คิกว่ามันจะเป็นการละอสะวะได้หรือไม่เชื่อเป็นการปฏิบัติธรรมเนชะ่นการใช้สอยหรือว่าการกินอาหารในยามที่หิวหรือว่าใช้สอยปัจจัยสี่เพื่อป้องกันอันตรายอันตรายจากเลือบยุงลมแดกสัตว์เลื้อยคลานจากดินฝ้ า, าการามจะมี การละอาสวะอีกวิธีหนึ่งนะวิธีที่ส้ายเนี่ยคือละด้วยอินเสียสังวรอินเสียสังวรคือการสำรวจอินทรียนะพูดง่ายคือว่ามีสติรักษาใจเพื่อไม่ให้บาปและ อ, อกุศลธรรมครอบงำจิตใจเวลารับรู้อารมณ์ด้วยอินทรียทั้งหนะอินเรียทั้งหกนะงหคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะ มันเป็นเครื่องรับรู้อารมณ์รับรู้อารมณ์ก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์ซึ่งถ้ารับรู้อารมณ์เช่นตากระทบรูปหัวดินเสียงแล้วเนี่ยมันก็ธรรมดานะมักจะเกิดความยินดียินร้ายเกิดความพอใจไม่พอใจเกิดความชอบความชังแต่ถ้ามีสติน ะ, ะมันก็ช่วยทำให้ความชอบความชังเนี่ยมันไม่มาครอบงาใจ หรือทำให้ไม่เกิดความยินดียิน้ายหรือถึงจะมีมันก็ไม่มาครอบงำใจไม่ทำให้ปรุงเกิดกิเลสไม่ว่าจะเป็นโทสะหรือว่าราคะหรือโลภะหรือโมหะมันช่วยทำให้ใจเป็นกลางนะใจเป็นกลางต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรวมถ่าเป็นกลางต่ออารมณ์ภายในนะที่ปรากฏนะ มันจะมีความยินดียินร้ยมีความชอบความชังก็ก็พอมีสติแล้วเนี่ยมันก็แค่เห็นมันพอใจเป็นกลางนะไม่ไปข้องเกี่ยวกับมันนะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคือการปล่อยวางการปล่อยวางปล่อยวางเพราะว่าใจเนี่ยเป็นกลางหรือสามารถจะเห็นมันถ้าไม่มีสตินะมันก็ใจมันก็เข้าไปคลุก เข้าไปเคลืม่มเครือบเคลืมคล่มหลงไหลหรือไม่ใช่ก็ผักใสซึ่งก็เป็นที่มาขอางความทุกข์แล้วก็นําไปสู่อาสวะกิเลสตามมาในเวลาพูดถึงการปล่อยวางเนี่ยนะจะว่าไปแล้วเนี่ยเราก็พูดได้ว่านะการละอาสวะเนี่ยข้อหนึ่งคือการละอาสวะด้วยการปล่อยวางปล่อยวางในที่นี้คือปล่อยวางด้วยสติเพราะสติมันเหมือนตานในนะ เวาพูดถึงการปล่อยวางการปล่อยวางเนี่ยนะความหมายที่แท้คือการที่นะไม่ปล่อยให้อารมณ์ไม่ว่าภายนอกนะคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือว่าอารมณ์ภายใ น, นยที่เรียกว่าธรรมารมณ์เนี่ยมันมาครอบงาใจงนะถ้าเราไม่มีสตินะมันก็อดไม่ได้นะที่จะเข้าไปยึดจิตเข้าไปเกาะเกี่ยว เ, เสียงเนี่ยเสียงดังเนี่ยนะ ถ้าเป็นเสียงเพลงนะมากระทบหูก็เกิดความติดใจกินอาหารอร่อยถ้าไม่มีสติก็กติดใจแต่ถ้าว่าเป็นเสียงมอเตอร์ไซคนะ์เสียงหม้าเห่าหรือบางครั้งเป็นเสียงโทรศัพท์มือถือนะก็เกิดความขัดใจขัดใจนี่มันก็เป็นความติดแบบหนึ่งนะเราติดขัดนะเวลา ใจเนี่ยมันขัดกับอะไรเนี่ยมันก็จะเกิดจากการติดอันนี้พอไม่มีสติแต่พอมีสติเข้านี้มันมันหลุดเลยนะจิตมันหลุดเหมือนกับว่ามันดีดพึ่งอดีดพึงออกมาเลยให้ทอมีสติเนี่ยจิตมันเข้าไปคุกเข้าคอเคียหรือว่ารวมรันพันตูด้วยซึ่งก็เป็นความยึดติดทั้งคู่แล้วก็นํามาซึ่งความทุกข์แต่พอมีสตินี่มันเหมือนกับว่ามันเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาจิตนี่มันถอยห่างมันดีดพึงออกมาจาก อารมณ์นั้นเลยเพราะว่ามันเห็นไงมันเห็นแล้วก็รู้ว่ามันไม่น่าเอามันมีความคิดที่มันมีความรู้สึกที่ไม่เอาเลยนะอารมณ์นะพวกนี้ไม่ว่าอารมณ์ฝ่ายบุหรี่ฝ่ายรถเนี่ยแล้วที่ไม่เอานี่ไม่ใช่ว่ารังเกียจนะเพราะถ้ารังเกียรนี่มันจะมันจะทําตรงข้ามนะั่นคือจะเข้าไปกดขม่มเข้าไปรวมรันพันตูเข้าไปสู้รบนะกับอารมณ์มันจะเป็นเสียง เสียงหมาเห่าเสียงมอเตอร์ไซค์เนี่ย mm. เวลาเกิดความยินร้ายพราะไม่มีสติเนี่ยมันจะไปจิตมันจะไปผักใสจะไปพันตูจะไปสู้ไปกดข่มกับเสียงนั้นหรือกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากเสียงนั้นเช่นความหงุดหงิดความรำคาญอันนี้มันมันมันเกิดจากการที่ รังเกียจนะหรือเกิดความรู้สึกลบแต่ว่ามันต่างจากความรู้สึกว่าไม่เอานะไม่เอาไม่เอามันก็วางเท่านั้นแหละอันนี้มันเพราะว่าสตินะมันทำงานในการที่คนเราจะปล่อยวางรู ป, ปรธรรมเนี่ยซึ่งเป็นของรักหรือคนรักนี่มันยากนะจะเป็นเงินทองทรัพย์สมบัติ หรือเป็นคนรักพ่อแม่ลูกบางทีเราก็รู้นะว่าความยึดติดเนี่ยในคนรักของรักนี่มันทำให้ทุกข์แต่ก็รู้สึกว่าปล่อยวางได้ยากอยากจะปล่อยวางแต่ว่าปล่อยวางได้ยากหลายคนก็บอกว่านี่มันยากนะพูดง่ายแต่ทำยากแนะปล่อยวาง แต่ว่าเราสามารถจะฝึกปล่อยวางได้นะด้วยการปล่อยวางความคิดและอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นนะที่เราทํามารมเนี่ยเวลาในการเจริญสติเนี่ยมันคือการมาฝึกให้เราฝึกให้ใจเนี่ยนะรู้จักปล่อยวางเรื่อมจากปล่อยวางความคิดและอารมณ์เวลาเราเดินตรงกลมเวลาเราสร้างจังหวะเวลาเราตามลมหายใจเนี่ยนะ มันจะมีความคิดมันจะมีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นและสิ่งที่เราควรทำเนี่ยไม่ใช่ไปกดข่มมันไม่ต้านมันแล้วนั้นก็ไม่ต้านไม่ตามมันแต่เราเพียงแค่เห็นมันพอเห็นมันมันก็วางนะมันไม่เอาอีกแล้วไอ้ที่เคยเอาที่เคยยึดที่เคยคุกค ра วนวเนี่ยนะพอมีสติเท่า้มันถอยเลยมันวางเลย ว่ามันดีตัวออกมาเลยอันนี้คือการฝึกให้เรารู้จักการปล่อยวางมันไม่ใช่เรื่องยากนะถ้าเราเริ่มต้นจากการปล่อยวางธรรมารมณ์เลยเพราะความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวเกิดขึ้นจากการเผลอเผลอคิดโน่นคิดนี่ที่จรงเราสามารถจะปล่อยวางเรียนรู้การปล่อยวางได้นะจากการที่วางอาดีต ก, กับวางอนาคต เรื่องราวในอดีตมันผุดขึ้นมาถ้ามมีสติใจมันก็ไหลไปกับเรื่องราวเหล่านั้นแต่พอมีสติปุ๊บนี่มันวางเลยในเรื่องอนาคตนะจะเป็นงานการอนาคตหรือว่าเรื่องราวของคนที่ตัวเองรักลูกพ่อแม่สร้างภาพขึ้นมาเกี่ยวกับความเป็นไปในอนาคตเนะี่ยเสร็จแล้วเกิดความห่วงกังวลกลุ่มใจหรือบางทีก็ ไปคิดถึงการท่องเที่ยวนะในอ่อไม่กี่เดือนข้างหน้าปีใหม่ฉลองสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จะไปเที่ยวต่างประเทศจะไปเที่ยวนนที่น่นที่นี่เพราะตอนนี้โควิดเริ่มบรรเทาเบาบางแล้วใจก็เพลินนีแต่พอมีสติปุปมม้นนี่วรรางเลยเราเรียนรู้นะการปล่อยวางจากการวางอาดีตวางอนาคตก่อน ซึ่งมันก็จะโผล่เข้ามาอยู่เรื่อยๆนะในระหว่างที่เราปฏิบัตินี่แหละไอตอนที่ไม่ปฏิบัตินี่มันไม่ค่อยเห็นหรอกมันก็คล้อยมันก็เคลิมมันก็ลอยไปกับอดีตบ้างไหลไปกับอนาคตบ้างแต่พอเราเริ่มมาปฏิบัตินะมันไม่มีอะไรทํานอกจากการมาดูใจแล้วก็ดูกายมันก็จะเริ่มเห็นแล้วนะโอ้ใจมันก็ไปยึดนะไปฝังอยู่กับอดีตไปจมอยู่กับอากาศอนาคต แล้วเราก็รู้จักปล่อยรู้จักวางกลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมารู้เนืรู้ตัวนี่ก็เป็นการฝึกปล่อยวางนะขั้นพื้นฐานขั้นเบื้องต้นเลยปล่อยวางความคิดที่เกี่ยวกับอดีตปล่อยวางความคิดที่เกี่ยวกับอนาคตต่อไปเราก็เรียนรู้ที่จะปล่อยวางความอยากนะมันมีความอยากอยากให้ใจสงบนะหรือว่าอยากให้เวลาผ่านไปไว้ พอเห็นความอยากขึ้นแล้วก็วางมันเพราะเราก็รู้ว่านี่ก็เป็นอนาคตแบบหนึ่งเวลาเราปฏิบัติเราก็วางความอยากใจอยู่กับปัจจุบันแล้ก็เป็นการฝึกปล่อยวางนะอย่างหนึ่งนะต่อไปเนี่ยมันจะไม่ใช่ปล่อยวางความคิดแล้วนะมันจะปล่อยวางอารมณ์ด้วยอารมณ์นี่ปล่อยวางยากนะเพราะว่ามันมีรสชาติมันมีแรงดึงดูดมากกว่า แล้วก็มันก็ทําให้เราหลงได้ง่ายกว่าความคิดความคิดนี่บางทีเราเห็นเป็นคํานึกเป็นคําเรานึกเป็นภาพแต่ว่าความหลงเอออารมณ์นี่มันมันไม่มีอย่างนั้นเลยนะแต่มันเหมือนกับอะไรที่มันครอบงําใจทําให้ขุ่นมัวทําให้รุมร้อนหรือว่ากดท่วงน่วงทับใจทําให้รู้สึกหนักอกหนักใจแต่บางทีไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าอะไรนะที่จริงมันก็เป็นเพราะความคิดนั่นแหละเราคิดถึงบางเรื่องเราก็ ขุ่นมัวเราทึกท้องคิดถึงถ้อยคำบางคนของใครก็รู้สึกโกรธเรานึกถึงปัญหานะที่กำลังรออยู่หรืองานการที่ค้างคาอยู่ก็เกิดความกุ้มใจนึกถึงปัญหาเศรษฐกิจนึกถึงปัญหาการเมืองก็เกิดความเครียดนะเอพวกนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีสติไม่เห็นมันนะมันก็ข้อมงำเราแล้ก็เกิดอาสวะตามมา แต่พอเราจเจริญสตินะเห็นรู้ทันความคิดแล้วก็ปล่อยวางความคิดได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นต่อไปมันก็จะรู้ทันแล้วก็เห็นอารมณ์แล้วก็จะปล่อยวางอารมณ์ได้แต่ก่อนไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเรานะไปยึดว่าอารมณ์นั้นเป็นเราไปยึดว่าความคิดนั้นเป็นเราแต่พอมีสติมันเห็นเลยมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเรามันเกิดการแยกตัวกันนะแล้วมันเกิดภาวะที่ไม่เอานะ ไม่เอาปล่อยวางหม่ไม่เนี่ยปล่อยวางแล้วจึงเห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่ต่อไปนะพราะเห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจึงวางแต่หม่ๆมยนี่ยังไม่ทันเห็นแต่รู้ว่ามันไม่เอามันวางเพราะมีสตนะิจะเรียกว่ามันเป็นพ่อเกิดความรู้ ร, รู้รู้สึกตัวขึ้นมาก็ได้พอรู้สึกตัวแล้วเนี่ยมันก็ความหลงก็หายไปไอ้ที่ยึดนะ ไปคุกเคา้าไปพันพัวนวเนื้เนี่ ย, ยมันก็เพราะความหลงแต่พอมีสติมัเข้าสึกตัวขึ้นมานะอมันก็เห็นมันก็พร้อมจะวางนเนี่ยเราเรียนรู้การปล่อยวางเนี่ยจากการเจริญสติงั้นการเจริญการปล่อยวางมไม่ใช่เรื่องยากนะถ้าเราเข้าใจความหมายและเข้าใจระดับของการปล่อยวางเริ่มต้นจากการวางปล่อยความคิด ปล่อยวางอารมณ์ในระหว่างที่เราปฏิบัติในระหว่างที่เรากําลังทํากิจต่างๆที่แรกก็ปล่อยวางจากการที่เราทํากรรมฐานต่อไปเนี่ยแม้เราจะไม่ได้ทํากรรมฐานขณะที่เรากําลังอาบน้ําถูฟันขณะที่เรากินข้าวหรือขณะที่เรากําลังขับรถเนี่ยเราก็สามารถที่จะปล่อยวางไอ้ความคิดฟุง้งซ่านต่างๆที่มันเข้ามารบกวน ทำให้เราค่อยเกื้อทำให้เรากลุ้มใจได้ทีแรกเนี่ยปล่อยวางจิสตสติต่อไปเนี่ยพอมันส ต, ติมันถ้าเกิดปัญญาแนละ้วพอปัญญาเนี่ยมันทำให้เราปล่อยวางสิ่งอื่นที่ปล่อยวางได้ยากได้ปล่อยวางทรัพย์สินปล่อยวางผู้คนคนรักของรักมันก็จะปล่อยวางได้ไง่ายด้วยปัญญาพอะเห็นว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นเราของเราหรือ มีปัญญาเห็นว่าเนี่ยยิ่งแบกก็ยิ่งทุกข์นะถ้าไม่อยากทุกข์ก็ต้องวางแต่ขณะที่ปัญญาจะไม่เกิด น, นะอย่างน้อยก็ทำให้สติแข็งแรงซะก่อนนะการเจริญสติเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราอนะ่าสามารถจะปล่อยวางได้ไดง่ายขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของอินเสียสังวรนะละอาสวะด้วยอินเสียสังวรเนะี่ยมันจะพาเราไปสู่การรู้จักการปล่อยการวางนะเริ่การปล่อยวางด้วยสติแล้วต่อไปก็จะปล่อยวางด้วยปัญญา ให้ลาสวะด้วยการปล่อยวานี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องรู้จักนะและมันจะช่วยผ่าใจของเราเนี่ยให้ผ่านพน้นอุปสรรคปัญหาต่างๆแม้กระทั่งวิกฤตต่อไปวิกฤตต่างๆได้ในวันข้างหน้าได้เดีย๋ยวนี้ก็เพื่เท่านี้นะเอากราบฮะ